จิตของพุทุชนก็ยังไม่ได้บรรลุถึงโลกตุตตรธรรมเนี่ยรวมความเลี้ยวแล้วว่ามันมีทั้งบุญทั้งบาปติดตามมาตั้งแต่อเนกาชาตินู่นเหตุฉะนั <ST AR> ้นแหละการเกิดมามีขันห้าอันนี้มันจึงไม่เที่ยงไม่ยังยืนได้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 อันนี้แหละจิตใจที่ไม่มีกำลังเข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลมันยอมอ่อนไหวไปตามอารมณ์อันชั่วร้ายอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสออดังนั้นแหละโดยเหตุผลแล้วเราจึงควรฝึกจิตใจอันนี้ให้สงบตามหลักปิตชา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 ถ้าไม่คิดก่อนมันก็ไม่เห็นลูกทางให้เข้าใจเพราะว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันมีหลายเรื่องที่ให้จิตฟงุงจิตฟุ้งซ่านนะนะบางทีมันผิดหวังในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาอย่างใดยังหนึ่งอา้าวมันก็วิตกวิจาร์อยู่นั่นแหละ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 มันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังเกิดมาในโลกอันนี้นะมีอะไรได้มาแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่เสียไปมันก็เป็นอนวภาสมหวังอัตภาพร่างกายนี้มันก็อยู่ยั่งยืนนานตลอดการไปนันถ้ายอย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในมนุษย์นี่แหละ อันนี้พระสาสดาทรงตรัสว่านิาพานไม่ได้อยู่ในมนุษย์นี้นั่นเลยสวรรค์ก็ไม่มีพรหมโลกนันก็ไม่มีนิพานนะดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนั่นแหละให่พึงพากันสันนิษฐานดูให้ดี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 ไม่ได้คิดเลยว่าเราเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้ทบทวนมาเลยไม่ได้ทวนกระแสะจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์ก็ทุกข์ทนทรมานไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จักทางออกจากทุกข์คนไม่ทวนกระแสะจิตเข้ามามนเป็นยางไ น, นเพราะฉะนั้นการ ทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิภาวนานี่มันก็ได้แก่การทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่ปล่อยให้จิตเค็ดซ้านออกไปข้างนอกโดยส่วนเดียวเนี่ะมันถึงมันมันจึงจะสงบลงได้แล้วก็จึงจะรู้ความจริงของชีวิตได้ว่า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 ชาติปิถุกขาชาตความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอวัยวะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันถึงเป็นทุกข์มันถึงแปรปรวนมันถึงทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงสอนให้ฝึ ก, กจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้ว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 เมื่อกรรมดีตกแต่งให้ก็ยังชั่วน้อยอวยะร่างกายนี้มันก็สมบูรณ์ทุกส่วนแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียน อ, อ่ขึ้นเชื่อว่าบุญตกแต่งให้แล้วมันง่ายทุกอย่างเม้นอนอยู่ในทันของมารดาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่มารดาก็มีสุขภาพอนามัยดี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 ถ้าจตโรค ก, กรบาลทั้งสี่นานะนมาคอยรองรับ ร, รูปพระกายของพระ อ, องค์ไม่ให้ตกลงไปถึงพื้นดินนะพอพ้นจากท้องออกมาอย่างนี้เทวดาก็รับเอาทันทีเลยแล้วก็มีท่อนำร้อนนำเย็นลงมาโสดสงพระ อ, องค์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 ผู้ไม่เบียดเบียนใครในชาติก่อนนู้นไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะทำมาหาเรี่ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ไปทำลายร่างผ่านชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาเรียงอัตภาพของตนเองมีความอริยรอดเอื้อเพื่อเกือ้อกูลแกบ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 ของพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นชื่อว่าธรรมปาระเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏิมารดาบิดาเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ น, นี่ <c oughs> พระ อ, องค์ก็เลยได้รับแนะนำสั่งสอนไปในรัฐิศาสนาพราหมณ์นั้นแต่ว่า บุญของพระองค์เนะี่ยมีอยู่อย่างว่านั่นนะ mm hmm. ก็ไปได้คนผู้นับถือพทธศาสนาอย่างสูงส่ ง, mm hmm. สงเป็นมิตรเป็นสหาย mm hmm. เรียกว่าคติการะอุบาสกอุบาสกคนนี้ได้ฟังทำคำสอนของพระติจ้าแล้วสำเร็จอนาคามีผลแต่ไม่ได้ออกบวชเพราะว่าเลี้ยงแม่ตาบอด แต่วังเอิงก็ไปได้ธรรมภาระนั้นเป็นสหายวันนี้คติการะอุปสงค์นี่ก็พยายามชักชวนธรรมภาระนี่ไปเฝ้าพราะพุทธเจ้าก็ไม่ยอมไปทีแรกไม่เชื่อก็ยังกล่าวช่วงจาาไปอีกว่าเฮ้ยสมณะศีรษะโลนจะมีดีอะไรอ่ะ ไ่บินธบาตมาฉันแล้วก็ น, นอนสบายไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้แหละแต่คติการะอุปศกนี้ก็ไม่ยอมพยายามอยู่นั้นหละวันหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำไปมาก็คติการะนี่ไปจับผมเปียของธรมรมปาระชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า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 ได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชเลย น, นี่เรยียนธรรมเรียนวินัยประพฤติตั้งมั่นอยู่ในสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ไม่ทำบาปตลอดชีวิตนั่นแหละในชาตินั้นเป็นอันว่าพระองค์ได้บำเพ็ญในขมมบา ร, รมีให้แก่กล้า นั่นแหละจึงเป็นปัจจัยอันใหญ่หลวงนำให้พระ อ, องค์ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาในยุคนี้แม้จะสมบูรณ์ด้วยพภค่าสมบัติลาภยศสรรเสริญมากมายเท่าไรพระ อ, องค์ก็ไม่หลงไหลติดอยู่ในกรรมสุขสมบัติอันนั้นก็เพราะอานิสงส์แห่งเนคขมะบารมีนี่แหละมากระตุ้นพระทัยอยู่เสมอ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 ก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตัดสู้พระองค์ก็จเจริญอนาปานสตินี้ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สามารถบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองชานที่สามไปโดยลำดั บ, ดดบจนตลอดถึงฌานที่สี่เมื่อบรรลุถึงฌานที่สี่แล้วก็จเจริญวิปัสสนาต่อ โดยโดยกเอาขันห้านี้ขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสภาพความจริงเมื่อเห็นขันห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดควรถือก็ อ, องค์จะปล่อยวางขันห้านี้ลงจิตก็รวมลงไปแบบนี้ก็ ได้ตัดสู้บุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นแหละในปฐมายามเมื่อรูกชาติหนหลังได้สิ้นสงสัยในชาติความเกิดของพระ อ, องค์แล้วก็ทรงพิจารณาเจริญวิภัสนาต่อไปอีกถึงเที่ยงคืนก็ได้ตัดสู้จุตูปพป า, พาทยานทรงพระ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 บันนี้บุญบาปนี่แต่พาให้ท่องเที่ยวคือแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ผู้ใดพระ อ, องค์เจ้าพี่นาเห็นว่าผูใ้ใดเพียรลาบบาปให้หมดไปจากกิศสันดานแล้วตั้งใจบำเพ็ญแต่บุญกุศลไปบุญกุศลนั้นมันก็พลันเต็มได้เลยวะนี้เพราะมันไม่มีบาปมาแย่งอันแหละ พระ อ, องค์ก็เส้นเดียวกันน่ะพระองค์ก็เพียรละบาปไปจนหมดสิ้นแล้วทรงสั่งสมบุญกุศลจนว่าเต็มบริบูรณ์จึงได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจา้าผู้ที่เป็นสาวกของพระ อ, องค์สำเร็จตามพระ อ, องค์ได้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ละบาปไปหมดและการจบลงจึงมีผู้บรรลุมรคลธรรมวิเศษตามพระ อ, องค์ไปมากมายนี่สรุปใจความลงแล้วว่า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 เมื่อมันรู้ น, นี่มก็ปล่อยวางนะอะนี้แหละไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นอันว่ารู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์คืออุปทานความยึดถือเมื่อละความยึดถือนี่ได้ทุกทางใจมันก็ดับไปหมดเลยฮะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบความจริงอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจ